บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นได้พูดถึงส่วนของอายตนาปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าโดยอายตนาเวล า, าอินรูปฟังเสียงเป็นต้นทรงสอนให้ดูจิตของเราว่า ในขณะนั้นๆมีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงกิเลสนั้นเป็นกลุ่มของอกุศลธรรมที่ทรงสอนนรส ล, ละบัญเทาวันจะรู้ว่ากิเลสข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่สามารถป้องกันได้ก็ป้องกัน ในกรณีที่ไม่สามารถคือมันเกิดขึ้นแล้วก็สงสอนให้ลดความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นด้วยวิธีส ง, งบด้วยวิธีการลดด้วยวิธีการละตลอดถึงตัดให้ขาดไปในระดับต่างๆแม้จะไม่ใช่เป็นการตัดได้ตลอดแต่ว่าตัดได้ทุกขณะที่กิเลสเกิด ปัญาคือความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากการกระทําการพูดหรือแม้การคิดไปตามนากของกิเลสก็ยุติเพราะเมื่อเหตุไม่มีผลก็ไม่มีการปฏิบัติในแนวนี้บางครั้งทรงใช้คำว่าให้เห็นไปจากชัดในขณะนั้นๆเพราะในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเวลาเราเห็นรูปเป็นต้นนั้นไม่ได้เจะจ ง, งกิเลสจะต้องเกิดเสมอไป บางครั้งกุศลธรรมก็เกิดบางครั้งอกุศลธรรมคือกิเลสก็เกิดและเกิดอาจจะอยู่าจจยูนานหรือไม่นานหรือมีสิ่งอื่นที่เกิดต่อเนื่องกันไปบางครั้งก็รู้สึกเฉยๆคือไม่ถึงกับเกิดกุศลหรือกุศลขึ้นภายในจิตวิธีการทางพุทธศาสนาในแนวที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศ คือจัดสภาพเวดล้อมให้น่ารื่นรมชื่นชมยินดีเรียกว่าอารามแปลว่าสถานที่ที่ทำจิตใจให้มีความรื่นเริงบันเทิงเมื่อเข้าไปสู่สถานที่นั้นถูกบรรยากาศของสถานที่นั้นบังคับให้จิตใจโน้มน้อมตามไ ป, ประในวัดในทางพุทธศาสนาจึงจัดออกมาเป็นรูปของป่า บรรยากาศของป่ามีความเป็นธรรมชาติมีความสงบเย็นใบไม้สีเขียวก็ช่วยให้สายตาได้เยือกเย็นในสุดจิตใจก็จะโน้มน้อมกหาความสงบที่ท่านเรียกว่ากายวิเวกจะช่วยกายเราได้อยู่ในที่สงัดแล้วเมื่อไปนั่งอยู่ในป่าเหลนะ่านั้นจกความ สวยงามความเป็นธรรมชาติของป่านั้นจะค่อยๆโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้เข้าหาความสงบไปโดยลำดับซึ่งบางคนถ้ามีความคุ้นเคยมีความพอใจในป่ามาจะตัดกระแสของความคิดเพราะไม่มีสิ่งเร้ามาจากข้างนอกเช่นบารูปก็มีความสม่าเสมอคือเป็นต้นไม้นาน า, นาพันธ์เสียงก็เป็นเสียงธรรมชาติ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความรักความชังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ก่อให้เกิดความชังเพกกราะกลิ่นก็เป็นกลิ่นธรรมชาติรถเราก็ไม่ได้สัมผัสอะไรในขณะนั้นกายก็สัมผัสลมธรรมชาติเราเจนว่ายัางเหลือแต่ตากับใจในสุดตานั้นก็จะปรับความเคยชินใจก็จะรู้อารมณ์เองอย่างเดียว วิธีปฏิบัติธรรมะจึงทรงสอนในแนวของธรรมะส ป, ปายะเศนาสนะส ป, ปายะคือให้เลือกสถานที่อยู่ที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติประภาประโลมเหล่านั้นจะโน้มน้อมจิตใจให้เข้าหาความสงบได้ง่ายในบางครั้งก็เป็นการสอนในแนวว่าเราเดินไปเรื่อยๆไอสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟัง มันจะสร้างความประทับใจความตึงตาะความศรัทธาเริ่มใสบงังเกิดขึ้นในอาคารสถานที่เห็นพุทธปิติมาเห็นเจนดีเห็นประสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นศีลาจารรยาของท่านแต่อย่างมันก็ค่อยเพิ่มพูนบุญกุศลขึ้นจึงเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งราวที่ก่อให้กุศลมีความต่อเนื่องอยู่ภายในจิต เราสามารถดื่มด่ำอยู่ด้วยกระแสของธรรมะโดยการเพ่งมองพระพุทธปฏิมาโดยการไหว้พระสดดวดโดยการจเจริญธรรมกรรมฐานด้วยการสนทนาธรรมได้เปลี่ยนความคิดความเหตุกันในขณะนั้นใจก็จะแล่นไปสู่กระแสของกุศลโอกาสที่จะออกไปสู่กระแสอกุศลก็มีน้อยพรสภาพแวดล้อมนั้นดึงข้อหาไว้ตลอด ในแนวนี้เองส่งสอนไว้ทั้งสามระดับมายความระดับที่เป็นพื้นฐานความนิยมชม ช, มชอบอยู่ภายในใจของบุคคลเขาส่งแสดงไว้ในปราบาวสูตรว่าผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนั้นแสดงว่ามีฐานใจอยู่บุคคลที่ใคร่ธรรมยินดีในธรรมมนความชอบใจในธรรมก็จะสนใจ อะไรก็ตามเป็นที่มาของธรรมะก็ให้ความสำคัญแก่บุคคลแก่สถานที่แก่สิ่งเดียวนั้นและใจิตใจที่มีพื้นฐานการเก็บการสะสมธรรมะอยู่ภายในใจเพิ่มขึ้นโดยลำดับนั่นเองมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีธรรมยันที่เคยกตัวอย่างประวัติของพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายในประสูน์ที่ชื่อว่าขัคคะ วิสัยในสุดเราจะพบ ว, ว่าพระประเจกระพุทธเจ้าหลอดนั้นท่านก็เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเผยแผ่อยู่แต่ด้วยพื้นฐานการเสพคุณที่เป็นบา ร, รมีอยู่ภายในใจของท่านสะสมไว้ตลอดการแดวนานนั้นท่านสามารถายารยหาารถยิบอะไรขึ้นมาก็ได้เช่นพระองค์หนึ่งเป็นพระราชา เสด็จเรียบพระนครประทับอยู่บนหลังช้างผ่านสวนมะม่วงก็เก็บผลมะม่วงเหล่านั้นขึ้นมาสวยประชาชนที่เห็นเมื่อขบวนของประชาชเสด็จผ่านไปแล้วก็เห็นว่ามะม่วงนี้ประชาชนสวยไดพ้พวกตนเองก็ยื้อแย่งกันต้นมะม่วงที่มีความสวยงามมีกิ่งก้านแผงสาขาออกไป ก็ถูกทึ้งถูกทำลายทั้งใบทั้งกิ่งหักเกลื่อนไปในสถานที่นั้นตอนราชาเสด็จมาแทนที่จะสงกลิ้วแต่สงมองเห็นเป็นธรรมะราารประการหนึ่งว่าชีวิตของคนเรานั้นถ้ามีอะไรให้ยื้อแย่งกันมีสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นของเรามากๆ ความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะบังเกิดขึ้นแล้ถึงจุดหนึ่งถ้าความรู้สึกว่าเป็นของเราเกิดขึ้นในสิ่งเดียวกันก็จะมีการดึแย้งกันและถ้าหากว่าไม่มีใครยอมกันสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกทำลายและตัวคนเองก็จะมีการทำลายล้างกันทั้งด้วยอำนาจของโลภะทั้งด้วยอนานาจของโทสะทั้งนี้เพราะว่าภในจิตใจเขาก็มีโมหะอยู่ ก็ทรงย้อนกลับมาสู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์ก็เห็นว่าพราะพระองค์เป็นพระราชาจากักรพรรดิที่ทรงเป็นพระราชานั่นเองทำให้ภารกิจต่างๆวิ่งมาสู่พระองค์แต่ถ้าพระองค์หยุดความเป็นจะได้คือเลิกเป็นสิงเหนานั้นก็จะไม่มาหาพระองค์ในสุดก็ยืนอยู่ตรงนั้นเองจเจริญวิปัสนาพิจารณากิ่งมะม่วงที่หัก แล้วก็ถูกทิ้งเกินกราดอยู่ใต้โขดมะม่วงสามารถบรรลุ ป, ปัจเจกโพธิญาณได้คือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเก็ดมาได้และอีกองค์หนึ่งท่านมองแค่นางทาสีถึงซักผ้าเธอสวมกำไรด้านละข้งแต่เมื่อซัก้าผ้าก็ต้องการความสะดวกก็เปลี่ยนกำไรจากข้างหนึ่งมาไว้ข้างหนึ่ง ในมือก็นั้นก็มีกําไรสองข้างเวลาเธอซักผ้ากําไรสองข้าก็กระทบกันจากจุดของการกระทบของกําไรทั้งสองข้างนั้นเองทาให้ประราชาชนได้ฉุกคิดว่าชีวิตของบุคคลที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนั้นตั้งแต่คนสองคนเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการกระทบกระทั้งกัน ่าความปกติสุขจริงๆไม่ได้ความสุขจริงๆจ ร, งจริงจะต้องเป็นความสงัดที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายแก่จิตใจอันเป็นความสงัดจากบรรดากิเลสทั้งหลายก็ทรงเลือกวิธีชีวิตที่จบลงด้วยคำว่าบุคคลเพิ่งเที่ยวไปคนเดียวมันก็หนอนแรเพื่อไม่ต้องการให้มีการกระทบกระทั้งกัน ราจึนว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมีภูมิปัญญาสูงก็สามารถมองเป็นธรรมะได้เพราะอะไรเพราะอันในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งต้องพูงก็คือธรรมะเพราะธรรมะแปลว่าสิ่งที่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นสภาพที่ทรงความจริงเข้ามันเอาไว้ต้นสะดาวเคยขมมาเมื่อกี่ล้านปีเดี๋ยวนี้มันขม หรือผลไม้ที่หวานมากี่ล้านปีมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็หวานหมาความมาส่งความเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปในส่วนที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายนั้นสาม า, ารถจะกลายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ตุกระดับญาติพ่อเจ้าเรียนเองก็เรียนมาจากปรากฏการธรรมชาติคือความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นแก่คนแล้วทําให้คนเป็นคนแก่คนเจ็บคนตาย พันตัวสภาวะธรรมคือแก่เจ็บตายเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแก่อะไรก็ได้เมื่อก็เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้สิ่งเหล่านั้นแก่เจ็บแล้วก็ตายตามไปด้วยทํานองคล้ายๆกับไฟที่มีสภาวะร้อนเมื่อไปกระทบอะไรเข้าก็ทําให้สิ่งนั้นร้อนด้วยแล้วก็เป็นหยุ่ของเขาอย่างนั้นจะ ก, กี่ล้านปีมาแล้วก็ตามและในการต่อไปก็คงเป็นอย่างนั้น แล้วก็ทรงมองเห็นในแง่ของความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากความแก่ความเจ็บความตายและตัวของความแก่ความเจ็บความตายเองก็ทําให้ความคิดดิ้นรนที่จะออกไปจากสังสารทุกข์เหล่านั้นคือไม่ต้องการเห็นการหมุนวนของความทุกข์และเกิดแก่ตายเป็นวัตจักรคือหมุนวนไม่รู้จักจุดจบเกิดแก่ตายตายแล้วก็เกิด แล้วกแก่เจ็บตายตาแล้วก็เกิดอีกขึ้นวเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามองในแนวใดอย่างเชนพระเมีโพธิสัตว์ซึ่งได้ยินได้ฟังกันมานั้นเราจะเห็นว่าท่านมองเห็นการเกิดนําไปสู่ภารกิจการงานที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําดีทําชั่วของบุคคลอื่นแล้วในที่สุดในฐานะที่เป็นประชาชนก็ต้องลงโทษคนชั่วยกย่องสรรเสริญคนดีสนับสนุนคนดี ตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไปลงโทษคนชั่วเพราคนชั่วก็คือคนก็คือสิ่งที่มีชีวิตเราไปลงโทษเขาเราก็บาปเหมือนกันจากการเลือกชาติได้ของโรงในจุดนั้นเองก็ทําให้ไม่ปรารถนาที่จะเป็นประชาชนเพราะมองเห็นเป็นกระบวนการของความทุกข์ที่ไหลต่อเนื่องกันไปจนเป็นความทุกข์ในสังสารวัฏนั้นก็คือการต้องตกนรกหมกไหม้เป็นเวลานา น, าน ทำไปรำมาตรงนั้นมันมาจากการได้เป็นพระราชาการเป็นพระราชาก็ถือมากําเนิดมาในราชวงศ์ท่านมองเห็นเป็นกรกระดกการเพราะงะั้นวิธีที่จะแก้ไขที่จะได้เมื่อท่านเกิดมาในราชวงศ์แล้วก็คือพยายามไม่เป็นพระราชาแต่ถ้าเป็นคนปกติธรรมดาก็ต้องเป็นจึงต้องทําตัวเป็นคนบ้าเพื่อไม่ต้องเป็นพระราชา นั้นแสดงว่าเป็นการมองเห็นโทษของความเกิดที่เป็นทางมาของปัญหาต่างๆแล้วต้องการจะลดปัญหานั่นก็คือการลดกิเลสวิธีการเหล่านี้เพื่สังเกตว่าแม้ เ, เรื่องเราอื่นเช่นหมอชิวโ ก, โกมารพัฒติดศึกษาในสำนักของอาจารย์ติสาปาโมกแล้วอาจารย์ต้องการจะวัดผลการเรียนการสอน ํำนองการสอบในปัจจุบันก็ให้หมอชิวโกมารพัฒออกไปจากเมืองตากศิลาด้านละวันคือในทิละหนึ่งวันโดยมีข้อแม้ว่าให้หาอะไรก็ตามซึ่งใช้ประกอบเป็นยารักษาโรคไม่ได้มาเพื่อนนักเรียนก็ดื่นหามาได้เป็นเกวียนแต่ว่าหมอชิวโกมารพัฒหาไม่ได้เลยสักชิ้นเดียว เมื่ออาจารย์สอบถามรรมาทำไมจึงหาไม่ได้ท่านบอกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ใช้ประกอบอยารักษาโรคไม่ได้นั่นก็คือความแตกฉานในวิชาทางแพทย์จริงๆสามารถใช้ประโยชน์จากทุกเรื่องเพื่อเป็นยารักษาโรคได้แต่ท่านก็กลายเป็นปรมาจารย์ใหญ่ในทางแพทย์เพราะลักษณะอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของคนเรา จริงๆแล้วก็ค่อนข้างค้าทายภูมิธรรมสติปัญญาของคนดูไม่น้อยแต่ตามปกติแล้วจิตใจคนไม่มีภูมิธรรมเข้มแข็งพอเราจึงพบคำสอนอีกแนวหนึ่งที่ส่งสอนไว้ก็อย่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่แวดล้อมอาจจะนำมาสู่ปัญหาให้แก่เราก็คือบอกว่าอยาครบคนผ่านแต่คร บ, บัณดิต เพราะไร่ว่าคนเราแต่ละคนนั้นไม่ค่ยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ประสบการณ์ในโลกนั้นไม่มีใครที่มีความถูกต้องสมบูรณ์เอาแก่ท่านที่เป็นสัพพัญยูเท่านั้นวันทานที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่าโคนผ่านพอถ้าโคนผ่านแล้วก็จะมีพฤติกรรมเยี่ยงเดียวกับคนผ่านคือเราก็เป็นคนผ่านตามเข้าไปในที่สุดเป็นการสืบสายสกุลของคนผานซึ่งก็มีความทุกข์ตลอด ในขณะนั้นนั้นขณะ ต, ต่อไปแล้วก็ความทุกข์ในสังสารวัฏเพราะความเป็นคนพานนั้นเกิดขึ้นมาจากตัวอวิชชาคือความเครา่าความโง่ความมืดปอดที่มีอาการต่อเนื่องอยู่ภายในใจของเขาจาอวิชชาตัวนี้ก็คอเกิดเป็นโมคะแล้วก็โลภะโทสะขึ้นมามีกระแสความรุนแรงปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นอาจะกรรมเพราะถ้ตัดกระแสตรงนี้ได้ยงหืนมันก็จบ เราจะเห็นตรงในว่ากระแสของกุศลกับกระแสขององกุศลที่เกิดขึ้นมาจากวิชาการวิชาบรรดาสัพกิเลตทั้งหลายที่เราพูดบางทีนับตัวเลขว่ามีทั้งพัห้าอที่จริงแล้วมันมีรากเดียวทั่ห น, นเ่งคืออวิชาการปฏิบัติจะโดยวิธีใดก็ตามคือมุ่งเข้าไปสู่การตัดรากเกื่อววิชา เราจึงพบ ว, ว่าแนวการปฏิบัติบางระดับนั้นเป็นการคล้ายๆกับจับตอนยอ่อตอนปลายแล้วก็สาวมาหาโคนว่าโคนมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปตัดที่โคนตอนนองคล้ายๆกับคนที่ตัดผ่านไม้เลือ้อยเช่นมาต้องการจะตัดหวายก็พบหวายทางปลายก็ต้องมองจากปลายของหวายนั้นสืบต่อมาโดยลาดับมาจนถึงโคนของหวาย ต้องการรากด้วยก็ถอนรากขึ้นมาเลยแล้วตอนปลายจะยาวไปสักกี่เส้นกี่วาไม่มีความสำคัญ อ, อะไรเพราะมันตายหมดลักษณะกิเลสก็เป็นเช่นเดียวกันมันจะอะไรก็ได้เรียกชื่อยังไงก็ได้มีลักษณะาอาการยังไงก็ได้แต่ถ้าสามารถตัดที่ตัวอวิชาได้ตอนปลายทึ่มีลักษณะาอาการต่างๆก็จะสงบไป ซึ่งความคิดเหล่านี้มันก็เหมือนกับที่เราใช้ในเรื่องอื่นด้เช่นว่าจับโจนให้จับหัวหน้าจับงูให้จับที่หัวงูจะย า, ยาวยังไงก็ได้แต่จับหัวได้ก็จบโจนจะมีสกี่คนก็ตามไปจับตัวหัวหน้าให้ได้เราก็ แ, แก้ปัญหาได้ก็แสดงว่าสิ่งท่งางๆนั้นเป็นกระบวนการที่มันมีตัวเหตุหลักอยู่ ตรบใดที่ยังไม่แก้ที่เหตุหลักมันก็ทําได้แค่บรรเทาทานองแค่้ากระปวดศีรษะทายาหมองปวดท้องทายาหมองอะไรเนี่ยเราคงจะบันเทาไปได้ระยะหนึ่งแต่แก้ปัญหาจริงๆไม่ได้ทีนี้แนวพวกของกูสุดนะรัพก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าการปฏิบัติตั้งปวงนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องความรู้ โดยรวมเราเรียกว่ารู้ทุกรู้เหตุเกิดของทุกรู้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้ความรู้นั้นตรงกันข้ามกับอะไรตรงกันข้ามกับความไม่รู้ความไม่รู้คืออะไรความไม่รู้คืออวิชชาความรู้คืออะไรความรู้คือวิชาเพราะงั้นเมื่อความรู้เกิดขึ้น นอกจากเขาจะแสดงสถานะของเขาออกมาแล้วเขาจะทําหน้าที่ขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขาคือความไม่รู้ออกไปด้วยก็สูตรธรรมชาติถึงเคยกล่าวอยู่เสมอว่าเหมือนกระแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความมืดหายไปผลผลจากการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปแต่ว่าจิต แต่ในใคนยังไม่สามารถพัฒนาตัวนี้ได้โดยลําพังก็ส่งสอนในแนวของการข้อผาสมาคมกับบัณฑิตการปฏิบัติธรรมทั้งปวงในพระพุทธศาสนานั้นถึงจุดหนึ่งจะทรงใช้คําคว่ากัลยาณมิตรและความบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรมีพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรมีพระอริยสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรมีเพื่อนปสัสสกปติกาพระภิกษุสามนเณร เรเป็นกัลยาณมิตรกันเพื่ออะไรเพื่อช่วยกันชี้นำความถูกต้องเป็นหลักในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติให้แก่กันและกันเช่นวันนั่งปฏิบัติธรรมโดยการคนหนึ่งหลับเพื่อนก็ช่วยสะกิดอย่าให้หลับต่างเจริญสมาธิเพื่อนกยับจะคุยเพื่อนก็ช่วยกันสะกิดให้คุย เป็นการดูแลซึ่งกันและกันแน่ในการมวิบัติเหล่านี้แม้แต่เป็นระดับของพระยะ ท, ท่านเล่าถึงว่าเวลาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในธรรมกลางพระสงฆ์นั้นจะมีพระสงฆ์เป็น ร, 100, 000, 000ร้อยพันกันต่างจะไม่มีเสียงคุยแม้แต่เสียงไอนเสียงจามทุกรูปจะต้องอดรั้นอดทนเอาไว้ไม่แสดงอะไรที่เห็นว่าขาดความเคารพต่อพระพุทธเจา้า จานวนบาลีท่านว่าอันเดตของพระพุทธเจ้าคุกคามแล้วหมายความว่าพระบ ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏต่อพระพักต่อหน้าตาของภิสูจทั้งหลายเหล่านั้นไม่คิดอื่นคือมองไปที่องค์พระพุทธเจ้ามีความประทับใจมีความซาบซึ้งมีความดื่มดําำมีความศรัทธาเริ่มใส่ในพระองค์ในบุคลิกภาพอันไพศาลของพระองค์เพราะงั้นใจมันก็สงบอยู่ตรงนั้น กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสำนานนันจะตัดสั่งกกับการพบเข็นสัปณะเป็นอุดมมงคลทีนี้การปฏิบัติอีกแนวหนึง่งเราค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังที่ท่านสอนไว้ในแนวของสัพปาญญาสามารถใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งที่ดีงามต่างๆที่เกือ้อกูลต่อการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนเอง เห็นหว่าสถานที่ดีอาหารที่ดีอากาศที่ดีอารมณ์ที่ดีธรรมะที่ดีก็เพื่ออะไรเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นอย่าเป็นอุปสรรคกระตุกจิตออกไปทํานองใกล้ๆกล้็เรานั่งขวังธรรมะอย่างนี้ถ้ามีเสียงใครคุยถ้ามีเสียงเพลงถ้ามีเสียงอะไรออกมาข้างนอกมันก็ดึงจิตเราออกไปเรื่อยแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการวิเคราะห์วินิจฉัยด้วยตัวของตัวเอง ก้หมายความคงอาศัยพื้นฐานความเป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นฐานนั่นเองถ้าคนเหล่า น, นั้นชงังธรรมเขาก็ปฏิเสธเรื่องตรงนี้นถึ่เราจะพบว่าคนในชงังธรรมมากๆอย่างความคิดสมัยพุทธกาลในกณะที่พระเจ้าทร ง, งแสดงว่าการพระเวรสัมภาเป็นอุดมมงคลเนี่ยผู้นายพรานทั้งหลายนั้นถือว่า ออกล่ า, าสตัตว์วันใดถ้าเจอพระภิกษุแล้วเป็นอภิมงคลทำไมพระบางลูกถูกฆ่ารงในาพรานฆ่าถือว่าถ้าเห็นพระแล้ววันนี้จะดักสัตว์ไม่ได้จะไม่มีสัตว์ได้ฆ่าให้ดักเขามองเป็นอภิมงคลดแตทำไมจึงมองอย่างนั้นเราก็มองกลับไปที่พื้นฐานของเขาว่าเป็นผู้ช่างทารังเกยียจทมไม่กลัวปาา ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำลายชีวิตเลือดเนื้อของบุคคลเด็เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ตัวฐานจิตจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่มากที่เรียกว่าบารมีกับอาสวะหม้ความจิตใจจะโน้มน้อมเข้าหาธรรมะคือยินดีในธรรมะก็ดีเข้าหาสมาคมกับบัณฑิตก็ดีและสามารถเลือกสรรสิ่งที่เกือกูลต่อการปฏิบัติพัฒนาจิตใจได้ก็ะดินั้น มันอยู่ที่พื้นฐานบารมีของท่านหรอ น, นะที่เก็บสะสมบบรวมมาสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นธรรมะตรงตรงคือเป็นกุศลแกุศลธรร ม, ธธรรมตรงตงว่าเป็นธรรมะได้แม้ในจุดนี้ก็ถมีคนเป็นจานวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ธรรมะหรือไม่เกี่ยวอะไรกับา เช่นคราวหนึ่งมีความรู้สึกว่าสังคมนั้นใครเป็นคนเลี้ยงดูใครใค ร, ใครเป็นคนอุปการะแกใ่ใครถ้าระะเรย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็จะมีความคิดกระแสหนึ่งเกิดขึ้นว่าสังคมนั้นคนผ่านเลี้ยงคนคนดีเป็นสังคมที่คนช่วเลี้ยงคนดีแล้วเ้าอธิบายว่าถ้าไม่มีคนชั่วนั้น ตำรวจก็ดีอายการก็ดีสารก็ดีราชธรรมก็ดีหรืออาชีพต่างๆเช่นพวกทํากุญแจก็ดีทําปืนก็ดีทําอะไรต่อะไรต่างๆที่เป็นการป้องกันโจรภัยโจรทั้งหลายป้องกันอันตรายทั้งหลายมันก็คนนั้นจะไม่มีอาชีพจะมีคนตกงานกันเป็นอันมากแต่เพราะพราะมีคนชั่วคนยังต้องคิดป้องกันคิดจะแก้ไขคิดจะทําลายคนชั่วเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพไปแก่นในในคนทั้งหลายคำนวณก็พูดกันว่าอธิบายได้เป็นการแสดงเห็นว่าคือถ้ามองในมุมอับปาอย่างใดอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกับสมเหตุสมผลแต่ที่จริงแล้วปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้นั้นคนจะไม่ต้องสูญเสียเวลาสูญเสียโอกาส ในการประพฤติปฏิบัติในการแสวหาความสุขก็ขจะดำเนินไปได้ในเวลารวดเร็วแต่ว่าก็เป็นคติธรรมดาของโลกเราจะพบว่ามีพระพุทธเจ้าก็มีมารมีพระเจ้าก็มีสตานมีกุศลก็มีอกุศลเราคงไปแก้ตรงนั้นไม่ได้การบัดจึงมาแก้ที่ใจใจเวลารับรู้อารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัส ว่ากุศลหรืออกุศลก็ตามแต่เราก็หาประโยชน์ได้ไดก็ได้กระแต่เราเจอคนผ่านแล้วเราทำลายคนผ่านไม่ได้ก็ทำลายคนพานก็เป็นบาปแม้เราจะทำลายได้ก็ตามก็เป็นบาปด่าคนพานก็เป็นบาปด่าโจรก็เป็นบาปด่าหัวก็โวยยังไงมันก็นบาปเพราะการด่านั้นมันเกิดจะโทษสัตว์ทั้งเราเจอนในความละเมศระใหม่ระดับของศี สินพระที่ทรงบัญญัติเอาไวนะ้พระนั้นเงื้อมือจะตีคนอื่นอย่างบาปเงื้อมือจะตียังไม่ได้ตีเนี่ยก็ถือว่าผิดอบาบัติต้องอบาบัติละเพราะอะไรเพราะการเงื้อมือขึ้นโดยความประสงค์รายเช่นนั้นแสดงว่าจิตมาถูกปรุงโดยโทสะไม่ใจรับยังไม่ได้ก็ตามก็ถือว่าสินไม่บริสุทธนะิ์ละเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จึงอยู่ที่ บางครั้งคนเราจึงต้องเลือกเอาอย่างแนวพระเตมีท่านก็มายอมเลือกทางนั้นแต่วันที่คนบางพวกที่มีอัตยาตสัยใหญ่อย่างแนวความคิดของพระโพธิสัตว์ในนิกายมหมายานบอกว่าเราไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกพวกนี้จึงมีพฤติกรรมบางอย่างที่มีลักษณะขัดแย้งกับแนวคาสอนทางพุทธศาสนา ก็ถือว่าการกระทําสิ่งที่เป็นบาปของเขาเข ก, ก็ยอมรับบาปรับผลบาปแล้วก็ยอมตกนรกแต่เพื่อต้องการจะช่วยเหลือคนอื่นไว้ไม่ให้ประสบ ค, ความเดือดร้อนเพราะการกระทําของคนนั้นเขาจึงต้องเราพบนักบวชในนิกายมหายานมาฆ่าคนได้จริงๆท่านก็ยอมรับบาปแล้วก็ยอมรับนรกแต่ท่านก็ถืออีกแนวหนึ่งว่าเราไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกเราไม่ลุยไฟนรกแล้วใครจะลุยไฟนรก เพื่อต้องการจะช่วยคนอื่นนี่ก็คือพวกที่เสียสละตัวเองซึ่งแนวเหล่านั้นก็เป็นแนวที่แต่ละคนก็เลือกเอาว่าจะดำเนินชีวิตไปในทางใดเพราะงั้นโอกาสต่างๆจึงเปิดกว้างขึ้นแต่ประเด็นสำคัญจริงๆก็อยู่ที่เรามีสติระลึกรู้เวลากระทบอารมณ์สามารถจะแปลงอะไร ให้แม้แต่สิ่งไม่ดีอย่างแนวความคิดที่เอาวัสดุเหลือใช้ของทิ้งแล้วไปรีไซเคิลรีไซเคิลใหม่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันก็เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะแปลงอะไรก็ได้โดยภูมิปัญญาโดยเครื่องไม้เครื่องมือโดยจิตวิญญาณของเราที่มีความเคารพนับถือสถานในทางศาสนา น, นั้น ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆ ใ, ให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทำความสงบสึก ต, ต่อไป